วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงอวิชชาสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกใจสัตว์ที่ในชื่อว่าวิชาอันที่อันเป็นที่มาของสรรพกิเลสทั้งหลายมาแล้วโดยลำดำับ ไดปริชาที่ทรงเน้นในส่วนหนึ่งก็คือความไม่รู้ในริมักมียกแประการลําดับขั้นตอนของความไม่รู้นั้นก็เรียงออกไปหลายระดับระดับแรกเป็นความไม่รู้ที่เรียกว่ามืดบอดจริงๆตัาการของความไม่รู้เหตุรู้ผลอยังพฤติกรรมของสัตว์เรียนชานทั้งหลายซึ่งมีอาการของโมฆะเห็นชัด เื่อการประกติการกระทำอะไรของใครก็ตามที่มากมมากว่ดีโมหะจัดแสดงว่าอาวิชาก็มีความรุนแรงทาให้การกระทาการพูดการคิดของเขามีการบิดเบี้ยนประทุษร้ายรุนแรงจนกลายเป็นรูปของบิกเันจีลักษณะของการต่อสู้กันของคนของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นสังเกตว่า เป็นอาการของโภสสะเป็นอาการของโมหะที่แรงเราสู้กันไปสู้กันมาบางทีมก็ตายหมดทั้งสองครั้งคือเราจะฝ่ายหนึ่งตายกว่าหนึ่งก็พิคลพิการไปในบาปที่เกิดขึ้นจากการฆ่าคนอื่นให้ตายมันก็กลายเป็นบาปติดตัวบุคคลเหล่านั้นในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยความพิคลพิการตายไปแล้วก็ตกนรกอีก เการต่อสู้การปราดประหารกันในลักษณะนั้นก็สะท้อนเห็นถึงพื้นฐานของอวิชาที่มีอยู่มากภายในยจิตใจของเข า, าวิชาบางระดับนั้นเป็นเรื่องของความรู้แต่ ว, ว่ารู้ไม่จริงหรือแม้จะกล่าวได้ว่ารู้แต่ก็คุ้มครองตัวเองอะไรไม่ได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ที่แต่เรียกว่าเป็นการรู้ระดับปริยัติบางครั้งก็บูรนกแก้วนกคุณทอง คือท่องได้พูดได้แต่ว่าไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คุ้นเคยที่เคยชินของตนได้เคยฝึกพฤติกรรมอะไรไปตามอนาจของอารมณ์อำนาจของกิเลสก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นและที่ร้ายป็นไปยิ่งกว่านั้นบางครั้งบางคราววัยเพิ่มขึ้นแทนที่จะมีความสงบบาปสงบอกุศลลงไป มีใจอาศัยเมตตาธรรมหรือผูมิหารธรรมเป็นเรือนใจแต่บางคนก็อาจจะอาจจะออกอะไรมาแรงๆกว่าที่เคยประพฤติกระทำมาในการก่อนก็ได้นั้นแสดงเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของชีวิตนั้นไม่ได้เสริมสร้างสารแก่นสารอะไรแ้วคุณภาพท้งชีวิตปิญญาในการลดต่มลงไป อาการของวิชานั้นว่ากันตามความจริงแล้วคนที่ตัดไขตัดได้เด็ดขาดจริงๆก็คือพระอระหันต์ท่านั้นการบัติธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาจึงมุ่งลดความเข้มข้นของวิชาแม้จะมีความไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่บ้างแต่ก็มีส่วนที่รู้ที่เข้าใจสามารถจะแก้ไขปัญหาที่ต่า ง, ต, งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ นั่นคือสังเกตความไม่รู้ในเรื่องของสมาวิจาสมากรรมตะสมาชิวะซึ่งเป็นระดับศีลเป็นอาการของความไม่รู้ที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้คิดพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบประเดิญข้อปฏิบัติระดับศีลรำจัญญานั้นเป็นความคิดระดับใจเขาใจเราท่า น, นเด็กที่สงสัยับว่าทําตนเป็นอุปมาทําตนเป็นเครื่องเทียบเคียง จะเกิดความรู้ความเข้าใจจะเกิดอาการสำรวมระวังมดเว้นโดยใส่จิตสํานึกของตัวเองที่การงดเว้นศีลระดับหนึ่งเดนเรียกว่าสัมปัตตวิรัติคืองดเว้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่น่าจะล่วงละเมิดศีลได้เกิดขึ้นเราก็ตั้งใจสํารวจระวังไม่ละเมิดเพราะมองเห็นโทษของการกระทําเช่นนั้นมองเห็นคุณของการกมกระทําเช่นนั้น การลดเว้นนลักษณะนี้แสดงถึงพื้นฐานทางมนษธรรมสานึกที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับศ า, ส, าสนากหนบธรรมเนียมประเพณีนนวัฒนธรรมอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับพื้นจิตของคนที่มีการพัฒนามาแล้วตามกาลเวลามันเกิดจิตสานึกขึ้นมาเองงดเว้นไปได้เองซึ่งถ้าหากาติดใจก็เ ข, เข้มแข็ง แม้เรื่องที่ทรุนแรงมากระทบกระทะกระทันอารมณ์ก็สามารถที่จะหมดเวรได้สามารถที่จะบรนเทาความรู้สึกนึกคิดในทำนองที่จะให้มีการโต้ตอบไปทำนองเดียวกันได้เพราะถา้าว่าโต้ตอบไปแล้วนอกจากจะเป็นการประทุษายเปลี่ยนเปลี่ยนกันในขณะนั้นก็จะกลายเป็นเวรเป็นภัยที่มีการผูกเวรผูกภยัยอย่างในยะาแห่งพรพุทธภาษิตเป็นมากที่ประรบเรื่องราวของบุคคลซึ่งไม่รู้เหตุผลใน การดำรงชีวิตระดับศีลธรรมจัน ญ, ญาแล้วไปประพฤติกระทำในระดับที่ท่านเรียกวิบัติคือวิบัติของศีลวิบัติของการเลี้ยงชีวิตก็ทําให้การเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดการกลายวา จ, จาที่แสดงออกก็ผิดเพราะว่าเป็นเรื่องของศีลวิบัติ แล้วถามว่าทําไมถึงถึงวิบัติหมายความว่าปัญญาที่มีอยู่ภายในใจนั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะคุ้มครองรักษาศีลรักษาอาชีพของตัวเองไว้ได้ทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องระดับศีลธรรมจัญญานั้นกล่าวเพราะการกระทาเป็นอันมากที่ออกมาในรูปของความรุนแรงในการดําเนินชีวิตก็ทําออกไปแล้วก็กลายเป็นมือแรงที่ว่า ย้อนกลับมปหาตัวบุคคลนั้นเองเข้าไปนัสณะที่เราพูดว่ามักท่านทระใดมักคตนเท่านั้นเมื่อเราทําอะไรรุนแรงกับบุคคลอื่นความรุนแรงเหล่านั้นก็กลับมาสู่ตัวเป็นการสร้างเวรสร้างภัยสร้างอันต ร, รายเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วกลายเป็นเวลานุเวรที่จองกันไปเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเก่าโบ ร, ร, ราณตั้งแต่มนุษย์มีโลกมาแล้วตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาแล้ว อย่าที่ส่งแสดงไว้ว่าการที่บุคคลไปผูกใจเจ็บว่าคนนั้นด่าเราคนนั้นประหารเราคนนั้นประทุสร้ายเราคนนั้นร่วงเกินทรัพย์สินอาญาพี่น้องของเราเบือนของเขาก็จะไม่ส ง, งบเงับเขาคิดจะโต้อตอบแก้แค้นจองลากจองผพานกันอยู่ตลอดไปเราเห็นความไม่ส ง, งบ ที่เกิดขึ้นภายในใจิตใจของบุคคลนั้นเป็นพื้นอาศัยความมาคาดพยาบาศอาศัยความจองเวรเผาหล่นใจความคิดแต่ละครั้งมาก็สร้างความร้าร้อนขึ้นภายในใจพูดออกไปก็กระทบกระเทือนทั้งตนเองและบุคคลอื่นการกระทำทั้งหลายก็กลายเป็นอัดยาการรมีลักษณะที่ป่าพุ่นทวนลมนเกยกระเอาไป ทุกอย่างมันย้อนกลับมาสู่ตัวเองหมดความทุกความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการกระทาไปตามอำนาจของวิชาเช่นสมมติเราด่าเขาด้วยคาหยาบคายร้ายกันคนด่านั้นถ้าเขามีจุดอ่อนเขารับเขาก็เดือดร้อนไตเป็นการเดือดร้อนในขณะนั้นถ้าเขาไม่ด่าตอบจะได้ก็หายไป ในขณะเดียวกันถ้าใจเรายังมากกว่ดิวิชาด่าไปแล้วยังไม่สาแก่ใจยังไม่รู้สึกว่าสะใจยังไม่รู้สึกอ่าผ่อนใจก็ยังมีเก็บความอาฆาตพยาบาทเอาไว้ภายในใจในขณะที่คนถูกด่าบรรเทาความเร้าร้อนลงไปโดยลําดับจนหมดแต่เรากลับเพิ่มความเล้าร้อนมากยิ่งขึ้นจิตใจเองก็ไม่สงบเป็นการให้ทุกข์แก่ตนเองในชาติปัจจุบัน แล้คำกล่าวในลนักษณะนั้นเป็นวจีทุจริตเป็นข้อปฏิบัติที่นําบุคคลไปสู่อบายได้เราก็ได้ความทุกข์ในชาตินัยแล้วก็ในชาติต่อไปตลอดถึงในชาติต่อต่อไปถึงกคนนี้พระเจ้าเราสั่งเล่าว่า ป, ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ในยุคสมัยที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ดั้น มีเป็นอันมากที่เกิดขึ้นจากผลของอคุสุนกรรมในอนดีตเช่นการถูกประทุษร้ายจากรเะเทวทัตหลายครั้งหลายคนการถูกราวหาใส่ร้ายจากนางจินจัมาราวิกาเป็นต้นมีเป็นผลของอดีตกรรมสแสดงว่าบาปรกรรมเหล่านั้นติดตามพระองค์มาไม่ใช่ชาติเดียวแต่ก็หลายๆชาติ ลักษณะของกรรมที่ท่านใช้คัว่าอัปประลราภะเวทไนยกรรมหรือกรรมให้ผลดในภพที่สืบสืบเนื่องกันไปติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามตดไปเพราะตรงนี้ถ้าคนมีปัญญาสอดสองพินิพพิจนาก็สามารถยุติอย่างน้อยที่สุดคือระดับของการผูกเวรภัยไปได้พราะทรงแสดงไว้ว่า การผูกเวรผูกใจเจ็บกันนั้นไม่เป็นเรื่องของเก่าคนไม่ได้ศึกษาส้ำเนียกเองปัญหาต่างๆมาเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในส่วนต่างๆของโลกแล้วกลายเป็นวงจรที่หาจุดจบไปได้ถ้ายังมีการผูกเวรผูกภัยกันอยู่เรามองดูตั้งการจองล่างจองพรานต่อพระโพธิสัตว์โดยการกระทำของพระเทวทัตนั้น ขณะที่ฝ่ายหนึ่งไม่โตตอบเลยแต่ตัวเองก็ยังไม่สาแก่ใจอยู่นั่นเองแต่เรื่องเล็กๆไป็จุดหนึ่งเป็นอุบัติเหตุของการดำเนินชีวิตแต่ใจิตใจที่ขาดเหตุผลขาดสติปัญญามีความมืดบอดด้วยอำนาจของอวิชชาทำเขาแล้วทำเขาอิกดก็ยังไม่พอใจ จนเกิดการผูกเวรผูกภัยขนาดที่ฝ่ายหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วตัวเองเป็นลูกศิษย์ก็ยังไม่จุดและบลสุดท้ามก็ออกมาอย่างตีเสียนกันเพราะฝ่ายที่ไม่จองเวรจองภัยนั้นจิตใจประนีขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวเอง จ, จิตใจตกต่ำลงไปเรื่อยๆพอถึงจุดสุดท้ายมันกลายเป็นแยกกันอย่างเด็ดขาด คนหนึ่งเป็นพระอารหันตะสามาสังพุตตเจ้าเข้าถึงนิพพานอันเป็นบรมสุขฝ่ายหนึ่งตกตามจนถึงตกตกตามู่ถึงตกอเวจีมานารกเพราะตกแต่ด้วยทะเล ข, ของความทุกข์ยากแสนสาหัสจึงตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับพระพุทธเจ้านี่เป็นตัวยอย่างที่เห็นในการผูกเวรผูกภัยในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ผูกด้วยจิตใจทั้งกับประณี้ขึ้นไป พระเจไม่ได้เก็บไม่ได้สะสมความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ภายในทั้งพระเจ้าจึงทรงสอนในสาวว่าเวรย่อมไประ ง, งับด้วยการจองเวรแต่จะระ ง, งับไปด้วยการจองเวรไมว่าในการใดๆก็ตามมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นเพราะเราเห็นว่าการจองเวรมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอาวิชชาที่ไม่มองโดยเหตุด้วยผลว่าที่เราร้อนนี่เพราะอะไรที่เราจบเจ็บปวดทุกทรมานนี่เพราะอะไรที่เรานอนไม่หลับกระสรับกระซาอยู่นี่เพราะอะไร เพราะผูโกรธใช่ไม้เพราะอาฆาตใช่ไม้เพราะความพยาบาทใช่ไม้เพราะความคิดมุ่งจะเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นใช่ไหมแต่ถามว่าใครเป็นคนทำก็จะพบว่าคนอื่นไม่ได้ทำให้เราทำก็เราเองจิตที่ตั้งไว้ผิดมันทำประทุษร้ายจิตเราเองญาติพี่น้องก็ไม่ได้ทำให้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ทาให้เทวดารักต่างๆก็ไม่ได้ทำให้ เป็นอาการของจิตที่ตั้งไว้ผิดด้วยความมืดบอดในด้านการใช้เหตุผลที่เมียวิชาเป็นแรงผลักดันในบางเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นภัยเป็นอันตรายอย่างจริงรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโจรกับโจรมาเจอกันผู้กรณีที่มีการเทเลปิากการมาเจอกันก็ อ, อาจจะประทุสร้ายต่อกันแต่ยิงคนเหล่านั้นทากันได้แค่ แค่ฆ่าให้ตายแต่กันเองํานอกจากนั้นทําไม่ได้แล้วแต่ว่าจิตของบุคคลที่ตั้งไว้ผิดด้วยความเห็นผิดด้วยความคิดผิดที่เกิดขึ้นจากอาวิชชาหรือความมืดบอดนั้นนอกจากจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองครอบครัวเจะกูลวงสังคมที่ตนเป็นสมาชิกในปัจจุบันแล้ว บปรปกรรมเหล่านั้นก็ยังติดตามแผดเผาลนบุคคลเหล่านั้นในการต่อไปด้วยเพราะงั้นการมองเห็นโทษของวิชาและมองเห็นโทษผลของวิชาที่ต่อเนื่องกันไปจะเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่จะเสริมสร้างพลังของความคิดจิตใจมีความหนักแน่นขึ้นอย่างน้อยก็จะมีการสำรวจรวจสอบ แต่การมองเห็นโทษนะั้าพึงจะเห็นว่าพึงเห็นว่าจะต้องมองเห็นโทษที่ยืดเยื้อยาวนานไม่จะมองเห็นโทษประเดี๋ยวปรดาวแล้วก็จบกันถ้ามองเห็นโทษระดับนั้นความประทื่อรืนที่จะสํารวจระวังสํารวจระวังป้องกันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ดัโงโทษของทุจริตโทษของวจีทุจริตหรือโทษที่เกิดขึ้นจากการพูดเท็จ ให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟักโทษที่เกิดขึ้นจากการพูดส่อเสียดคือยุยงให้เกิดความแตกแยกด้วยความอคาดพยาบาทด้วยความโกรธด้วยความริษยาด้วยความแข็งดีด้วยความโลภด้วยความหึงหวงด้วยความคิดเบียดเบียนอะไรก็ตามแล้ึการยุห้คนแตกแยกกันนั้นมีสาเหตุมาหลายๆอย่างกําหนดลงไปไม่ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือพื้นจิตขาดความเมตตา การความปรารถนาดีหวังดีต่อบุคคลอื่นหมายความลึกๆมันก็มีอวิชชาอยู่ภายในใจในการเพิ่มบาปเป็นการสะสมบาปไปแก่ตัวเองคำหยาบมันหยาบมาจากใจแล้วคนที่พูดคำหยาบนั้นใจไม่สงบมาก่อนนะ่เพราะนใจหยาบคำพูดก็หยาบทำให้คนอื่นได้ยินได้ฟังแล้วไม่สบายหูไม่สบายใจ แต่คนอื่นนั้นจะเกิดแค่ไม่สบายหูไม่สบายใจแล้วก็จบไปถ้าเขาไม่ไปรับเอาเป็นจึงคำหยาบเหล่านั้นคล้ายๆับอุจาระที่คนก็โยนให้เราถ้าเราไม่รับมันเขาก็เปื้อนมือของเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พรามที่ด่าว่าพระองค์พระโกรธที่ปัญญามานับถือพระองค์ในท น, นชานิสุทธิ์ พุทเจ้ารับสั่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามันเหมือนก็นแขกมาสู่บ้านเจ้าขอบ้านอาหารไปตอนรับแขกเมื่อแขกไม่กินของนั้นของนั้นจะเป็นของใครซึ่งพราหมณก็ตอบว่าเป็นของเจ้าของบ้านเจ้าก็ทรงแสดงว่าก็เป็นเช่นเดียวกันคำดา่าทั้งหมดที่พรามดา่มามาพรองค์ก็ไม่รับตึงเอาไว้ความบักลับเป็นของพระการประพฤติการกระทําที่เป็นบาปจะมีลักษณะอย่างนั้น คือถ้าเขาไม่รับเราก็รับเต็มคนเดียวเรารับแน่แต่เขาได้รับหรือไม่รับเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่นอนที่สุดคืออย่างน้อยเขาก็ไม่ได้พูดบาปไม่ได้ทำบาปเขาอาจจะคิดบาปโดยจิตที่เศร้าหมองแต่เขาไม่พูดบาปไม่ทําบาปแสดงว่าเราทําบาปมากกว่าเขาความคิดการพิจารณาที่เห็นความต่อเนื่องกันอย่างนี้เป็นจะเกิดความสับสงระหวังเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงแสดงโทษจึงไม่แสดงโทษเฉพาะชาติปัจจุบัน แต่จะแสดงโทษได้เห็นทั้งชาติปัจจุบันชาติหน้าและก็ชาติต่ตอๆไปจะในกรณีของทุจริตทรงแสดงว่าบุคคลที่พูดทุจริตะทำทุจริตแล้วก็คิดทุจริตนั้นย่อมเป็นที่ตําหนิตีเตียนของบุคคลอื่นชื่อเสียงในทางไม่ดีจะแพร่กระจายไปเป็นที่รังเกียจขยะขยง เบื่อระอาของบุคคลทั้งหลายสัตว์บรุษทั้งหลายนั้นทำหนี้ิดเจียนสึงเสียความมั่นใจในตัวเองข้าไปในสมาคมใดในที่ใดก็จะมีความหวัดสะดุ้งวิตกกังวลกลัวระแวงการถูกจับกลุมคุมขังลงโทษการทำหนี้ติเียนกัรสมเซตินทาตลอดถึงการโต้ตอบจากคนที่ตนเคยทำอันตรายแก่เขาไว ทานคนเหล่านี้จะอยู่ไม่สงบสุขเอ็นผ้า่าจะต้องมีคนดูแลป้องกันอันตรายมีการตรวจจาสารพัดใจไม่สงบท่านเรียกวิปฏิสานใจคือใจมันร้อนตลอดมีมีความวิตกกังวลห่วงใจอึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่างๆอันนั้นเป็นผลที่ที่คนทำทุจริตแล้วก็จะสัมผัสได้รู้ได้ด้วยใจตัวเอง และทรงสแสดงว่าจะหลงทํากิริยาตายนั่นสแสดงว่าเป็นเงื่อนต่อระหว่างชาตินี้กับชาติหน้าตรงนี้พิสูจด้ ต, ต, ตัวเองยากเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นแต่เราก็ดูจากคนอื่นได้เมื่อเรารู้ประวัติเรื่องราวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็มาดูสังเกตตอนที่ท่านตายก็ปรากฏว่าท่านตายด้วยความไม่สงบกับสับปะสายร้อนรุนแรงนั้นก็สแสดงว่าผลของกรรมได้ปรากฏแ ก, ก่จิตแล้วก่อจะดั ราบไปจิตใจโดยจิตใจที่มีความขุดหมวดเศร้าหมองเขาก็ตกระกัเพราะในข้อสุดท้ายของโทษแห่งอกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะส่งแสดงเรื่องอะไรก็ตามมันจะจบลงด้วยคำว่าหลังจะตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกติวินิบาตในรกสุรกายถ้าอาวิชชาถูกขจัดไปมองเห็นเหตุผลได้ระดับนี้มองเห็นโทษที่ตนจะรับในชาติปัจจุบันในชาติต่อไปและในชาติต่อต่อไป ก็จะเกิดเป็นการสำรวมระวังขึ้นแต่เดีนี้ปัญหาสำคัญว่าโทษสามประการแรกนั้นเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้แต่เราเคยทํโทษจริตมาในสองประการหลังนั้นเราสัมผัสไม่ได้ในหลงตายเราก็ยังไม่ถึงตรงนั้นบังเกิดในอบายเราก็ยังไม่ได้ตายไปพิสูจน์ทดสอบอะไรไม่ได้เราก็ต้องอาศัยความเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจา้า เพราเมือเรามองกลับไปที่หลักธรรมะปฏิบัติก็เห็นว่าศรัทธาคือความเชื่อเองก็ทําหน้าที่ขจัดอวิชชาได้เพราะอะไรเพราะเราไปให้ความสําคัญแก่ที่มาของความเชื่อเหล่านั้นที่เราศรัทธ า, าในพระกุณของพระพุทธเจ้าเราเองขจัดอวิชชาด้วยตัวเองอย่างไม่ได้แต่พระเจ้าทรงขจัดได้ เราก็เดินตามพระองค์ไปคล้ายๆกับเราไม่มีไฟฉายแต่เราเตืนเราเดินตามคนที่มีไฟฉายถือไปเราก็เดินตามไปได้ถานั้นไปถูกเราก็ไปถูกนั้นแสดงว่าแนวนี้เป็นการใช้ปัญญาขาจัดผู้สังเกตว่าถ้าเรามั่นใจในที่มาของข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นเราก็เชื่อแสดงว่าศรัทธาขาจัดความไม่เชื่อได้ เราไม่มีความเครือข่ายสงสัยแสดงว่าศรัทธากระจัดความเครือแ่ายต้งใ ส, งส่ได้แต่เราตึงพร้อมที่จะประพฤติกัรรมสิ่งดีงามทั้งหลายโดยศรัทธามีการให้ทานรักษาศิ่งเจริญภาวนาเป็นต้นมันก็แสดงว่าศรัทธาก็จัดกิเลสได้ทั้งสามกองคือทั้งโลภะโทสะโมฆะวิชานั้นก็คืออากาศของโมฆะทีนี้ถ้าเรามองกลับไปที่ปัญญา ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าปัญญาที่มีการเพ่งปีนี้มีการตรวจสอบสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อก็จะกลับเชื่อได้สิ่งที่เคยเครือบแครลงสงสัยก็จะขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปที่จะได้เห็นโทษของความโลภความโกรธ ค, ความริษยาความแข็งดีความเบียดเบียนเราเห็นว่าเป็นโทษที่บุคคลจะต้องรับในขณะนั้นๆในขณะต่อๆไปและในขณะในและในชาติต่อๆไป ก็จะมีการสมมูลระวังใจเอาไว้ไม่ถึงก็ให้ความโลภรุกลุ ม, ม, มใจมากเกินไปจนออกผลรูปทุจริตทางกายทางวา จ, จารมายความโกรธเกิดแรงเกินไปหมาความลมเกิดแรงเกินไปก็แสดงว่าจะให้ความสุขในระดับของการครองเรือนครองชีวิตที่เรียกว่าสินธรรมจัญญาเพราะการพิจารณาอินโทษ หรือโทษหรือคุณบางอย่างเนี่ยเราจะเอาปัญญาล้วนๆมันไม่ได้เพราะเราอย่างไม่ถึงชีวิตเราส่วนใหญ่จึงใช้ศรัทธามากกว่าใช้ปัญญาเพราะโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นเรารู้นิดหน่อยเท่านั้นเองการกระทำบางอย่างการพูดไปบางอย่างก็อาศัยความเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อแหล่งที่มาของความเชื่อที่มีความสมเหตุสมผลเราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น พอในพึงดูตัวอย่างโบราณบัณดิตซึ่งในการต่อมาท่านก็เป็นถึงพระอระหันต์แต่แกท่านศีหะเสนาบุติี้าไม่ควคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีทางการเมืองดีทางราชการก็ดีก็มีความเบตาสงสารคนยากร้ายขาสุดน า, นาทาก็สร้างไปโรงทานขึ้นมาบริจาคทานแกยาจุกนุรก วันนี้พกแก่ค น, านายากไร้ส่วนนาถธ า, านจนที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายต่อมาเมื่อท่านหันมานะับผือพระพุทธศาสนาก็เกิดข้องใจสงสัยในเรื่องผลของทานกราบุญถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ให้ทานดีแล้วจะได้รับผลอานิสงส์อย่างไรบ้างพระเจ้ทาทรงแสดงอานิสงส์ไว้หกประการ พระบุคคลผู้ให้ทานนั้นย่อมเป็นที่รักของผู้รับทานสัตว์บรุษทั้งหลายย่อมข้อผาสมาคมพระบุคคลนั้นเมื่อจะสงเคราะห์สัตว์บรุษจะสงเคราะห์บุคคลนั้นก่อนบุคคลนั้นจะมีชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามฟุ้งกระจายไปมีความองอาจกระหายในสมาคมต่างๆและเป็นผู้ที่ไม่หลงตายตายไปแล้วบังเกิดในสุคติ ท่าสิหเสนาบดีกรบาบธุรสีข้อแรกข้าพระองไม่ต้องเชื่อพระพุทธพระพักตากก็ได้เพราะว่าข้าพระองสัมผัสมาแล้วด้วยพระองค์เองในฐานะที่เป็นคนให้ทานมานั้นแต่ว่าการไม่ลงตายกับตายไปแล้วบังเกิดในสุคตินั้นท่านไม่รู้เมื่อไม่รู้ข้าพระองก็ขอเชื่อพระพุทมีระพักตยาเพราะราารพระพุทธพระพักตจะต้อรรสรู้ นั่นคือลักษณะความคิดของบัณฑิตว่าไม่ได้ใช้อะไรไปโดยลำพังรู้ขอบข่ายความสามารถของตนศักยภาพของตนว่าจะใช้อะไรไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรและตรงไหนควรเน้นสตาตรงไหนควรควรเน้นที่ปัญญาหรืออย่างที่พระเจ้ามัทุราชวันทีปุตรในความประมหาทใจยานะแสดงเรื่องความ ไม่ต่างกันของคนในวัรณะทั้งสี่ประการไว้ห้าข้อเพราะเดิมวัรณะใดที่มีฐานะมัง่งคั่ง ร, ำร่ำรวยวรณณะเดียวกันและวัณณะอื่นก็จกักกะเป็นพวกของคนในวัรณะนั้นสองวรรณะใดประกอบอาชญากรรมกระทำทุจริตผิดกฎหมายไปถูกจับกลุ่มขู่ขังลงโทษเช่นเดียวกันสามณณะใดประพฤติอกุศลบาปประกา ร, รต่างๆเมื่อตายไปแล้วก็จะตกนรกเช่นเดียวกัน วันหน้าใดประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นกุศลวันหน้าเราท่า น, นตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติเช่นเดียวกันจะไม่มีสุคติสำหรับคนพรามกษัตริย์แพศูตแต่สุคติก็คือสุคติภาพตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนคล้ายๆกับพวกคนในวันหน้าต่างๆที่ข้ามาบวชในระพิสษุเป็นระพิกูุในพุทธศาสนาะก็คือเป็นระภิกษุขนาวันหนไม่ได้อยู่ในตรงนั้น และข้อที่ห้าบอกว่นณใดออกบวชประพฤติปฏิบัติตนดำรงมั่นคงยในศีลในถามวันนั้นก็จะรับการยอมรับนับถือศรัท ธ, ธาจากบุคคลอื่นเสมอกันซึองเราเห็นว่าคำตอบนั้นมีสองข้อที่ยากต่อการทำความเข้าใจคือตํมบาปตายไปตกนรกกรบทบุญตายไปวางเกิดในสุคติเพราะว่ายังไม่ได้ตายทั้งนั้นแต่สามข้อแรกเป็นข้อที่เห็นได้ชัด วันน่าใดมีฐานะบางครั้งร่ำรวยคนที่เป็นลูกน้องบางคนความรู้ปอสีแต่ลูกน้องเป็นด็อกเตอร์นี่เป็นภาพสีในชัดหรือคนทําผิดติดคุกมันก็เห็นได้ชัดคนประพฤติปฏิบัติ ด, ดีมีศีลาจะรับเป็นที่ยอมรับรับนสื่อยุกจ้องข อ, อง บ, บุคคลทั้หลายนก็เห็นได้ชัดเพราะตรงนี้ไม่ต้องเชื่อคนดีแต่อีกสองข้อนั้นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้ามัทรวดรวันตีบุตรท่านบอกว่าเชื่อพระอรหันต์ทั้งหลาย ข้อ น, นี้พระอาหารหันต์ทั้งหลายได้กล่าวไว้อย่างนี้นแล้วท่านก็เชื่อตามที่อราหันต์ทั้งหลายก็เป็นการช่วยขจัดความรุนแรงของวิ ช, ชาลงไปโดยใส่ศรัทธาบ้างโดยใสปัญญาบ้างโดยอาศัยทั้งสองประการไปเพราะงัเรื่องมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาชีวะคือการพูดผิดการทําผิดในการเลี้ยงชีพผิดซึ่งเป็นระดับของศี ตะบว น, นใช้ศรัท ธ, ธาหรือใช้ปัญญาพอสมควรก็จะสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยาเป็นทางมาแห่งเป็นทางยุติเวรภัยอันตรายลงไปได้ต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทงความสงบสึกต่อไป